ครับเป็นไงเนี่ยออกยังมั่งอะว่าคืออะไรอืมยังยังไม่รู้สักคุยอะไรจากที่จะเริ่มมาอะอืมอยู่ไหนล่ะที่คงทั้งทั้งฮะกูกำปุ๊บไกลนะโดนกัน เป็นอะไรเป็นแม่เป็นเป็นพี่สาวพี่สาวโอเคขอคุยคุยได้คุยให้คุยได้เต็ม บอกว่าจ้ะเออชื่ออะไรไหนเดี๋ยวนี้อันนี้แหละเปิดแล้วมั้งเออเปิดแล้วเหรอชื่ออะไรล่ะคุยกันดิไม่ได้ทําอะไรจ้ะอายุอายุ 72 ปีจ้ะ 72 ปีแล้วดูก็จับ เออตัวนี้ทําอะไรอยู่บ้านจ้ะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทํานาอยู่เนี่ยก็เสมียนใช่เสมียนจ้ะ เออจิตเมตตาดีนะดีๆๆมีจิตที่ดีพื้นฐานดีอืมดียังยังไม่เอออยาก อยากจ้ะโหตาโตตาเอาแค่กับอธิษฐานมาอธิษฐานแห่ไปไหนวะเนี่ยแห่กับแห่กับแบบท่านอยู่ไหนอ่ะแห่กับว่าใบใบอธิษฐานน่ะอ่ะน่า ไอ้ใช้ได้เลยพออธิษฐานน่ะใช้ได้เลยเหตุที่ต้องอธิษฐานเพราะว่าครับวันมันพ้น อธิษฐานให้มันทนทุกข์ให้สิ้นกิเลสบรรลุพระนิพพานในจาตปัจจุบันๆๆๆแล้วจะอ่ะเข้า<อ> <c oughs> นั่นน่ะคือพรชาติแต่ละพรชาติที่เราจะต้องไปเกิดนานแสนนานเป็นอนัตตการแต่ละถ้าเอาบุญกุศลบุญมีเวลามีคุณงามความดีทั้งหมดที่เราทํามาทั้งหมดทุกพรทุกชาติในชาติปัจจุบันและในชาตินี้ก็หวังจะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านช่วยเหลือพาสิ่งให้คนทุคติช่วยเหลือเกื้อกูลพวกอื่นให้เค้าพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจช่วยเหลือเกื้อกูลเค้าต่อ เราปฏิบัติได้จะได้นี้ที่ผ่านมาแล้วก็ทําอยู่ แล้วก็เอาไปปฏิบัติเข้าตามคําสอนนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแห่งที่ดี ก็อย่างก็ใจไม่มากอ่ะเพราะก็ปรึกษาเออเพราะว่ายังไม่ได้อธิษฐานสติสารแล้วจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้ก็เพราะว่ามันมันยังมันยังไปต่อสร้างบารมีไปต่อพอฟังพวกไอ้ธรรมนั้นเป็นธรรมที่เพื่อให้มันคนทุกข์ในปัจจุบันมันเลยมันไม่กลับไม่รวบกลับมาเป็นเหมือนกับมาที่เป็นเถือกเขายาวๆหลาย <เอ อ, S 2> มันจะเป็นเถือกเขาที่ไปต่ออีกหลายรูปถ้าเราอธิษฐานร่วมกันแล้วในปัจจุบันฟังธรรมก็จะเข้าใจง่ายขึ้นมันอาจจะติดเข้าก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงพอ ก็เกิดผู้ชายอีกก่อนที่จะเป็นเป็นผู้ชายก็สร้างบาป 3 ก็ไปไปผิดผู้ผิดเมียคนอื่นติดตามมีภรรยาคนอื่นก็ไป ไปทําผิดศีลอีกผิดศีลข้อ 3 อีกพาเมตุวิชชาจารเวรมนีผิดศีลข้อ 3 ก็ไปทําบาปกรรมอีกทําบาปกรรม นั้นเนี่ยพุทธเจ้าของเราก็เคยพลาดพั้งไปแบบเนี้ยพระอานนท์ก็เคยพลาดพั้งไปมีชู้ไปเป็นชู้กับไอ้ไปได้กับไปแอบได้ อนนต์ของเราเนี่ยมันเกิดเป็นผู้หญิง 15 ชาติแต่สิจะกลับมาเป็นผู้ชายแล้วในไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราจะไปเกิดตายเกิดตายเกิดดายสร้างๆเนี่ยเราจะไปพลาดพั้งแบบเนี้ยแล้วก็ <เลย. S 1> เราก็ไปตกนรกนะแสนนานไปตกป่านะแสนนานก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเออพระศาสดาของเรานรกนรกพวกนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเคยไปกันมาหมดแล้วงั้นอย่าไปอีก มันคนไปทั้งว่าผู้หญิงผู้ชายมันสามารถที่จะคนไปได้ไม่ว่าจะเป็นในผมผ้าเหลืองหรือไม่ผม แคปไว้ไหนว่าโอเคไม่ไรครับคนอื่นก่อนเป็นไงอ่ะอื้อหืออ่ะพี่คนนึงนี่พี่ ชื่อธมณีชื่อธนดิษฐ์ทั้งเราคนบิดดิดพินเหรอโอ้ชีวิตต้องมี เวลามันถึงรู้จักพินมั้ยชื่อดนกุลฤดีพินรู้จักพินมั้ยฮะรู้จัก ทำมันตัวแต่ตรงไม่ดีไม่ดีเนาะแล้วทํามันถึงขึ้นไปอีกแต่การใช้ชีวิต มันนี่มีความทุกข์ความเครียดเยอะนะสายพินน่ะมันอนาคตปัจจุบัน มันเลยทําให้สายพินเนี่ยมันตึงเกินไปการดําเนินชีวิต เออมันไม่ยอมปล่อยวางอะไรเลยมันเกาะแน่นยึดแน่นยึดมากกระทึกชีวิตเราชื่อละมณีอ่ะมณีก็โอ้โหสว่างสวยแก้วทินสว่างสวยแขมนารคุณ <c oughs> ถ้าติดลับติดจังมันก็ตึงไปสายจะ ไปวางลงนะเอ้าจะถามอะไรตอนนี้เอาไมค์เนี่ยไม่รู้ถูกก็ผิดที่เราพูดเนี่ยเอ้าเอาไมค์ ห๊ะจริงถ้าพ่อพ่อมองแล้วก็คงรู้ไม่ใช่เอ้าไหนว่าไงบอกฮะอายุ กะจังหวะนี้ยังละไม่ได้มันจะสายเกินมันจะสายการมาเกิดการพบชาติกันเนี่ยมันมาเกิดก็ ถ้ามาอยู่ก็ถ้าเขาเป็นหนี้เราเนี่ยเรามีความสุขสบายถ้าเราต้องเกิดมาใช้หนี้เขาเนี่ยเราต้องไปใช้หนี้เขาเนี่ยโอ้โหเขาเป็นเจ้าหนี้เราเรามีแต่ความทุกข์ถ้าลูกมา คนไหนมาได้กับเราก็นั้นมาใช้หนี้เราเนี่ยแต่ถ้าเราต้องไปใช้หนี้เขาเนี่ยเรามีแต่ความทุกข์ญาติมีๆกันใน มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผล หรือเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทุกอย่างมีความสมบูรณ์บริบูรณ์พูนสุขหมดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานกับติด เกิดบาปก็ขาดชนเงินชนเนี่ยที่มันเกิดมามันไม่เท่า อย่าเป็นทุกข์อีกยังยึดอีกไม่เข้าใจเรื่องกรรมเป็น แล้วก็แผบตายแล้วก็ไปตกอบายซะอีกไปหาคนอ่ะยากมากๆแหละแต่เกิดมาแล้วเนี่ยยังมายึดกันอีกอ่ะพอตายไปแล้วแม้ ได้ตัวไหนอ่ะเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกเป็นหลานเราเป็นพ่อแม่สามีภรรยามีใครเป็น นาออกเปื่อยพังไปหมดเค้าก็ไปเผาเป็นเป็นรูปร่างอย่างใหม่เป็นสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็น จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้าก็ยากที่สุดแล้วเป็นโอกาสจะกลับมายากที่สุดแล้วแต่เกิดมาแล้วมันก็มันยัง มันหมดสิ้นไปมันจบไปชาตินึงชาตินึงแล้วไปสร้างชาติ เป็นสมบัติมรดกฐานเนี่ยเอาไปไม่ได้อ่ะที่เอาเก็บไว้อ่ะไอ้แก้วแหวนนี่ เอาสามีลูกหลานก็กองมะเทใส่ให้ที่หน้าอกจับเอเอเอเอ 2 มือตะคุยตะกายที่หน้าอกของกูของกู <c oughs> <c oughs> ตะคุยตะคุยตะคุยตะคุยแกไอ้แก้วแหวนเงินทองไว้ในจินดาที่ก็มาเคลกองที่หน้าอกของปู่ของปู่ของปู่ของปู่มันก็เหมือนกับหมาหิว <June> <h plausible> แล้วละก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานตามันกลับตาดํากลับไปเหลือเลยพวกรูป ของกูอยู่ไหนแกแผนเดินท่อของกูอยู่ไหนก็ปั่นขึ้นหรือเปล่าท้องกูอยู่ไหนของกูอยู่ไหนเนี่ยเค้าก็ไปเอามาใหม่เอามาเทเทที่หน้าอกก็ สามีก็อยู่ตรงนั้นน่ะลูกก็อยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้เลยแล้วก็กอดสามีไปก็ไม่ได้กอดลูกทุกอย่างก็ร่วงหมดแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะ 3 วัน 3 คืนทุกประมาณแสนสาหัสไม่ตายซะทีด้วย ก็นิมนต์พระมาสวดพวกสามีลูกหลานก็ไม่ยอมหาว่าเดี๋ยวเจ้าบ้านจะหาว่าแช่งเมียยังไม่ตายเลยพระมาสวดและเราก็บอกว่ามันมันจะตายไป กวยลืมไม่กําปั่นเงินกับปั่นๆก็ก็ผึกหน้าก็ผึกหน้าก็เลยไปเอาดอกไม้ธูปเทียนมาใส่มือแล้วดอกไม้ธูปเทียนบูชาต้องเอาไสายตีน เอาดอกไม้ทุกเทียนมามาใส่มือไว้พระสวดไปภรรยาที่ 1 เอตายแล้วที่ถนนตุลามาสามวันสามคืน เปรนวาดเปรนใจว่าทําไมเราถึงยึดนั่นเป็นทุกข์ทําไมปล่อยวางอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวทําไมถึงยึดมากนักตอนที่ที่มันยึดเนี่ยมันกลับทําให้ เรานี้คนก็จะตายก็ตามเราไปเราไปเหตุเราสลด 2 เวทตรัสสมแต่ละคนตายคนก็จะตายเนี่ยมหาเศรษฐีอะไรก็ตามขนาดเป็น ธุรกิจกูตุรกีกูลูกอยู่ไหนเมียอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเมียอยู่ไหนกูกูจะตาย <crust. S 2> ตายไปด้วยขนาดที่ยึดเนี่ยโอ้โหขณะตายนี่ทุกแสนสาหัสทุกรนทุกรายแสนสาหัสพอตายแล้วหนักกว่านั้นไปร้องไห้ในงานศพตัวเองเป็นทุกแสนสาหัสไม่ใครเห็นเราเราก็ทุขอยู่คนเดียวไม่มีๆอ่ะเบื้องหลังการตายเนี่ยในงานศพตัวเองเค้าเผาเสร็จก็กลับไปหมดเรา คิดถึงลูกคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงลูกหลานแต่ผู้ชายมันค่อยไม่ค่อยดีหรอกหายากหาทํายายากมีแต่ <pouch. S 2> ไม่รู้มันจะจบพบชาติจบกรรมเวรกันสักทีเออมันก็ได้จบมันเจอกรรมเป็นชาติสุดท้ายใช้ยี่ โกรธโมโหครับแค้นใจหาหนทางที่จะพาแม่น้อย เราก็เคยไปแย่งเข้ามาไปฆ่าเค้าเจ้านี้ฆ่าเค้าได้เค้าแย่งเราไปมึงบ้างกูบ้างมึงกู ถ้าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะยึดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมจบจบยกสามีให้เป็นทานไป <เอ อ. S 1> กิจมันเป็นมันเกิดมากับเพราะกรรมนี่แหละเราเออมันก็จะได้คิดได้คงตก สามีไปมีภรรยาได้คนนึงพอสามีไปมีภรรยาปุ๊บภรรยาคนใหม่มีท้องไอ้สามีก็เลย หมดแรงตายแล้วจะตายแล้วทั้งลูกต้องลูกก็ยังในท้องตายทั้งแม่ทั้งลูกแต่ เมียน้อยจะเป็นแมวต่อมาเมียหลวงตายเมียหลวงตายก็ไปเกิดเป็นเขาก็จดใจกรรมเลย แมวก็เลยมากินลูกไก่ฆ่าลูกไก่เพราะว่าเคยฆ่ามันเคยฆ่าลูกนี่นี่ลงไป จากต่อกับลูกมึงเนี่ยองค์กรรมคงเปลี่ยนหมุนเวียนวนไอ้ไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือ เย็นลูกวางพอวางเอาลูกคันที่ 2 มันก็ฆ่าลูกวางแล้ว คนไทยกวางมันตายไปเกิดเป็นก็ไปเกิดเป็นผู้หญิง พุทธเจ้าหนีเข้าไปในวัดพยายามจะตามเข้าไปอยากตามเข้าไปทีแรกมันเอ่อเศษเทวดาที่ที่ประตูไม่ยอมให้เข้าแต่ตอน ไอ้ยอมโหสิกรรมมันก็เลยยอมโหสิกรรมด้วยกันๆกันเนี่ยเรามาเกิดเป็นผู้หญิงต้องต้องลําบากทุกอย่างลําบากเพราะการต้องเนี่ยปกปกแล้วเถอะทุกข์ ก็ไปผิดถึงข้อ 3 ไปผิดลูกผีเมียคนอื่นจะผิดเมียคนไปไปไปไป 15 ชาติจึง มาเกิดแล้วก็ไม่มีลูกผู้หญิงก็ไม่มีลูกเพราะเพราะว่ามันบาปกรรมที่ทําไว้ก็ไม่มีลูกนี่แหละทําเวรพวกเนี้ยอย่าไปอีกเลย วินี่กรรมต่อกันไม่ต้องหมดสิ้นแล้วก็จบไปจบไปในภพ มันมีบุญวาสนาบารมีสั่งสมมาไม่เท่ากัน ตัวอาตัวนี้ไปอยู่ที่ไกลอ่ะตัวนี้แล้วพอบันทีจบทีการใช้นีกรรมเวียนวนกัน <c oughs> ผู้จายแต่งจุดขาวมายืนอยู่หน้าร้านตอนเช้ามืดก็เลยผมมาทําไมบอกมาทวงหนี้เอ้ยมาทวงหนี้นะบอกมาทวงหนี้ก็บุก โอ้โหต้องกินทั้งเที่ยวทั้งเล่นฝ่าสมบัติเปี่ยมๆโอ้โหเหลือแต่บ้านซุบหัวนอนไอ้ตัวสามีนึกขึ้นได้ กรรมเวรใดที่พ่อแม่เป็นหนี้ลูกไว้ก็บ้านสุขลูกให้อภัยลูกก็เงียบหืนไปเลยตั้งแต่นั้นไม่ แต่พี่มันก็ไม่รู้ว่าเคยจองเวรกันมายัง ธาตุใจมันจบแรงที่มันมาก่อกวนให้มันเกิดมันก็ดับลงเนี่ยที่เราก็ทั้งหมด แต่เราก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คือไม่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เมื่อเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทำเนี่ย บนเนี่ยสมัยบิดาการเนี่ยเฉพาะอุ้มลูกพ่อกับแม่ลําบากเดินทางไกลผลัดกันอุ้มสลับกันอุ้มฮะทิ้งลูกไปข้างทางแล้วไอ้เมียเลย เกิดมาก็โดดก็ทิ้งขว้างเกิดมาเป็นลูกของโสเพณีพอมาก็เค้าขายตัวไม่ ทำกรรมอะไรไว้จนได้รับผลของกรรมอันนั้นน่ะไม่มีลักเหตุบังเอิญในโลกนี้ไม่มีเกิดทําใจโอ้ยเดี๋ยวนี้มันจะ นี่ให้แก่พ่อแม่ไม่จดใจไปทําความดีกับพ่อแม่อ้าวตัวนี้ก็ต้องไปจดใจทํามันอีกแล้วบิดามารดาเนี่ย พ่อกับแม่ที่สำบูรณ์ทั้งที่ลูกที่สำบูรณ์ทําหน้าที่เราทํา เราก็ทําความดีถึงที่สุดปฏิบัติให้ถึงที่สุดจนบรรลุมรรคนิพพาน <head> ทำความดีตั้งแต่เมตตาทั้งสอนเค้าให้เป็นคนดีมันช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเราก็เล่งประพฤติเนี่ยได้ปล่อย เราเห็นทุกแบบเนี่ยเราพูดมากับหลายคนไม่เคยวางง่ายๆหรอกพูดเราฟังเอาใหม่เนี่ยอ้าวก็อาจจะพูดครับจริงมั้ย จริงมั้ยล่ะฮะจริงมั้ยเออตัวเองไม่พูดถามคนอื่นก็อ่ะ ฟังแต่เราพูดเอาอย่าพูดอะไรเราฟังบ้างอ่ะมีอะไรก็ วางวางลํามันจะเบาแบกมันกันหนักนะแบกมันหนักแบกไว้หนักดับอ่ะจิตใจรังสีที่ออกมาดับไปหมดหน้าตาหม่องคับดําๆนะสงสารจริงๆแบบแบบเมตตาสงสารแต่ก็ช่วยไม่ได้แบกเองอ่ะ wow. wow, <c ười> เวลาสีจิตมันก็มาค้ําหมดอ่ะก็ปิดใจไม่อยู่อย่าปิดเราไปอยู่ปิดอย่า รับดีจิตดำค้างหน้ามันใจมันๆทุกข์อย่างในนรกเนี่ย เอาใจลําไปก่อเกี่ยววัวพันธุ์เผาก็ก็คงพันล่ะค่ะแมงก็จะเลี้ยงมันได้เหรออ่ะเออเอออยากจะให้เขาไป ถ้าเขาเป็นเด็กที่สร้างบุญกุศลบุญบารมีคุ้ม เพราะว่าเราเป็นเด็กที่มีบาปกรรมมาเกิด แล้วเราก็มีบินี้บาปของเค้าอีกเราก็เลยต้องต้องใช้กรรมเค้าก็ก็คงเป็นกรรมของเออเพราะเห็นว่าเป็นกรรมเราก็เออทุกค่ะแหละทุบ เขามีบุญเข้าไปเค้าได้เองน่ะแต่ถ้าเค้ามีเข เด็กที่มีบุญกุศลมาวันแก่พาแก่พ่อแม่พามาเห็นครู โตขึ้นมาเลยลําบากไอ้เนี่ยมันคิดจะร่ํารวยไอ้เด็กๆมัน มีแต่คนโหไอ้นี่มันมีคนโหมันอิจฉาเค้าเรามองเห็น เอาทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งยาเสพติดถายาเดียวมีเงินอย่างเดียวมันไม่สนใจหรอกว่าอะไรคือศีลธรรมอะไรคือผิดปกหมายติด ถ้าเรามีบาปกรรมจะต้องชดใช้หนี้เขาเนี่ยเราก็ได้ลูกแล้วเค้าต้องเกิดมาชดใช้ เรากุศลทุกกุศลก็ไม่เคยได้ทําทานเราก็ไม่ได้เป็นประเภทเดียวกับเราน่ะแย่กว่าเราก็ไปอีกเพราะเราเองก็ทานเรา ทานแล้วก็ไปโดนเค้าหลอกลวงหมดหลอกเอาเงินทองไปจนเกลี้ยงไม่ได้เข้าใจว่าทานคืออะไรเออทานมันคือเป็นผู้มีน้ําใจให้ต่อผู้อื่นด้วย มันจําเป็นโอ้โหยที่ก็หลอกว่าต้องให้เท่านั้นล้านเท่านี้ล้านถึงจะไป ไอ้ทางคือใจของเราเนี่ยให้อะไรออกไปแล้วใจเรามีน้ำใจต่อผู้อื่นแล้วเลยใจเบาใจเบามีความสุขกับการได้ได้ รักษาศีลและรักษาที่ใจใจที่สะอาดบริสุทธิ์ภาวนาก็ภาวนาลงถึงใจจะไม่เกาะเกี่ยวโภคภัณฑ์พอพอหลุดเหตุว่ามันเป็นทุกข์การไม่เกาะเกี่ยวนั่นน่ะมันไม่ทุกข์ไม่เกาะเกี่ยวได้ก็เพราะ อันนี้บอกว่าระบอเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเร่งคุณทั้งคุณงามความดีละบาปบําเพ็ญบุญๆ <Yeah. S 1> พอตระหนักธรรมที่ใดก็ตระหนักผิดเสียใจแล้วก็ปรับหรือว่าในปัจจุบัน จนกระทั่งสิ้นสุดการทำบาปกรรมความลายกระจายเนี่ยที่เป็นที่เป็นสิ่งคนได้มีมีความลายกระจายไม่มีเฮรี่ไม่มีอุตตปะความเกรง แล้วก็บาปใหม่ก็ทําบาปเก่าก็ไม่ละเรียกว่าไม่มีเหรียญตะปะนั้นความ 10 ก็เร่งทําเข้าด้วย อาศิณภาวนากันเข้าถึงใจรักษาใจไว้ให้ดีอย่าให้มันตกต่ําเนี่ยเข้าถึงใจแต่อย่างเงี้ยเราทํามาเรื่อยๆก่อนมีคู่ครองนะเด็กๆมันทําได้นะเด็กหนุ่มเด็กสาวก่อนมีคู่ครองมันจะ คือมันต้องมาใช้นี่กรรมกันมันก็เลยตามทันไอ้ บุญก็ไม่สร้างภาวนาก็ไม่ทํารักษาใจมันก็ไม่ทําก็ปล่อยให้ไหลไปตามกิเลสวันนี้มันก็เลยไป โอ้มันก็ไม่มีลูกก็มีลูกที่มีบุญมาเกิดมาลำบากตั้งแต่ยังมีคู่ครองพอมีคู่แก้ไขใหม่ เอ่อไอ้ที่ผ่านมาแล้วไปตะปูถึงแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอันนี้ปัจจุบันเนี่ยแก้ได้แก้ในปัจจุบันให้แก่ในปัจจุบันนี่เลยแก้อะไรไม่ได้ก็ละบาปมาก็แอบพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ชีวิตนั้นนั่ง นoid กองน้ํามองทั่วถนนกินเดินทางไปไหนมาไหนนอนไม่หลับอยู่ก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้เอ่อให้มัน พุทโธทั้งวันเนี่ยทําอะไรก็พุทโธทั้งวันไม่ว่าจะทํา ภาวนากับภาวนาเข้าตอนนี้ก็เหลือแต่ภาวนาแล้วพุทโธพุทโธพุทโธๆอ่ะดีๆนะก็ มาเยอะมากละพุทโธพุทโธเนี่ยอย่าประมาทเห็นว่าโอ๊ยพุทโธพุทโธแค่นั้นจะได้ แล้วก็อารมณ์ร้อนมาก แต่ก็.. เราสอนให้ภาวนาก็ไม่ค่อยจะภาวนาพอเราสอนพอวันใกล้จะตาย ทำไมมันมันสายมากแล้วทําไมมันตอนนี้หมอกหุ้มตัวพ่อหมดเลยเนี่ยหมอกสักไอ้เหตุ พุทโธพุทโธแล้วอีกพุทโธพุทโธแล้วอีกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วอีกเล่งๆพุทโธพุทโธพุทโธเลยเดี๋ยวก็เร่งเลยแล้วก็เร่งเข้าไปอีกเพราะว่าสงสัยมากเลยทําไมมันทําไมหมอกมันหุ้มเต็มตัวเลยมองไม่เห็นเลยมันไม่ จิตกับพุทโธรวมเป็นหนึ่งเนี่ยพ่อเป็นอะไรเนี่ยพ่อเป็นอะไรฐานข้างล่างเนี่ยจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพุทโธ เตรียมจะออกไปนรกอ้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้มาพักใหญ่แล้วพอบอกพอหุ้มไว้เรียบร้อยเตรียมจะออกไปนรกอ้าว ไส้ฐานพ่อเป็นอะไรเนี่ยพ่อเป็นอะไรเนี่ยทําไปประทานอย่างนี้พูดเข้าไปตะไปบ่นไม่ต้องพูดอุทโธอุทโธอุทโธอุทโธเล็กแก เค้าออกไปนรกไม่ได้เลยแล้วก็สุดท้ายเค้าก็เลยออกไปไม่ได้เค้าก็เลยไปมือเปล่า แล้วพาให้คนป่วยเนี่ยไม่มีสติด้วยไอ้ตรงเนี้ยเสียหายส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยคือคนใกล้จะตายเค้าก็ต้องก็ต้องหูลำบากอยู่แล้วตรงนี้จะต้องพวก ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสามีภรรยาลูกหลานต่างๆเนี่ยแทนที่จะช่วยทําให้เค้าเนี่ยมีสติพุทโธพุทโธไว้เอาพุทโธใส่ <to> <to> ทำไมยมทูตก็ไปหมดแล้วแต่ทําไมตายได้หนงมันไม่น่าจะตายนะเพราะว่าจิตมันก็เปลี่ยนภพไว้ มาพักใหญ่อ่ะแกก็หลุดตาปึ้งคือว่าแล้วก็เด้งตัวลุกขึ้นนั่งเลยหลีประคอง<ก> เลือดมันไม่ไหลแล้วเลือดมันดําหมดทั้งตัวแล้วผมว่ามันไม่ทํางานแล้วอวัยวะไม่ทํางานหัวใจ เออแต่ชีวิตพ่อภูมิใจเยอะอย่างนั้นอ้าวพ่อภูมิใจอะไรบอกว่า การภูมิใจมากเลยพ่อเป็นศิษย์มีอาจารย์พ่อไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเถื่อนนะว่าผู้ปฏิบัติธรรมเถื่อนที่คนนี่มีอาจารย์นี่ท่านบอกว่าพ่อไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเถื่อน นี่สีตานี่นะนี่อยู่ตรงนี้นี่ๆสีตานี่เห็นแต่ลูกตาเว้ยเห็นตัวสูงมาไม่เห็นตัวเอกตะลุคาตาแต่ทําไมไอ้ตุ้ย ที่หลักที่นอนจากไอ้สถานที่ไปไปช่วยจับสถานที่ไอ้ปู่บุสวรรณว่าเนี่ยแก 2 วันคนใช้ผู้บารมีของแกมาตั้งแต่เด็กอ่ะโดน 2 วัน แล้วแกก็ไม่รู้ไงแกแบ่งสุบัติห้องบทที่แกมีทั้งหมดแล้วอสังหาริมทรัพย์แก ไม่มีใครกล้าบอกแกไว้ซื่อเป็นไหนกลัวว่าแกจะน็อคไปเลยนะอยู่ๆตอนแก มันไปจับที่กูข้างบนอยู่เนี่ยแล้วแกก็ไม่เสื่อมสกสถานนะแล้วแกก็ว่าไอ้สีตามาอย่างนี้ตลอด กว่าดาเนいใจพอแล้วจะก็ภาวนาในใจผู้โตผู้โตฝากกับพวกโกวิทกับพวกโกวิทไม่จะดีตายเลยไม่มีเกรงกลัวไม่มีกลัวอะไรเนี่ยแล้วตายไปแล้วเนี่ยโอ้จะก็ไปไปได้ดี อย่ามีคุณอันนั้นกับพุทโธนะมีคุณอานนท์เราผ่านมาเนี่ยหลายปีกับ 20 ปีเนี่ยมหาศาลหลายคนเนี่ยก็พุทโธนี่ไม่เอามันเล็กๆ อยู่ที่สกลนครสว่างแดนดิน อบต. สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั้นอาจาโรหลวงปู่อ่อนยันต์สิริหลวงปู่บัวน้องแซงหลวงปู่บัวปริภพโนมณ์ที่น้องแซง แต่มีบันทึกเอาไว้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครทราบเลยเพราะว่าหลวงปู่สมัยท่านเป็นคนพูดน้อยและทุกคนก็กลัวท่านๆไม่มีใครกล้าเข้าไปหาท่านเลย แต่เราไปไปดูเลยแล้วก็คุยกับท่านถามต่อมาท่านท่าน หลวงปู่ฟ่านเนี่ยไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์มาถามหลวงปู่มาก็สอนพุทโธโยมเออตะนึกกว่าในใจไม่ ทักก็เลยวันนั้นให้มานวดก็จะนอนอยู่ข้างเตียงตั้งแต่ถ้าก็ลุกขึ้นมาด่า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 พอจะจะนอนเสร็จแล้วก็จะไปแล้วตัวก็จะนอนข้างค่างพันธุ์เนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วง่วงมากแล้วหัว เสียงโหหันไปที่หัวนอนท่านบอกว่าตามันไม่รู้กี่คู่เลยเสือไปครอกเลยเสือคําเดียวก็นั้นน่ะพุทโธท่านบอกว่าพุทโธได้แต่คํา มันเนี่ยไปเป็นรู้สึกตัวอะไรโถๆๆๆๆหลับตาปิดเผื่อคําแรกก็ได้นะบอกว่าตาไม่รู้พาจางมาไปรีบจะไปบิสบาตดีผมว่าจะไปบิสบาตพาจางเลยแล้วนี่ โอ้น้อก็ยังไม่ได้หนอจากได้ไม่ได้ฉันนี่ทําไมพูดโตโตโตๆเนี่ยข้ามวันข้ามคืนเลยแต่ว่าจิตท่านรวมไปสู่ฐานปินเนี่ย ให้บันทึกไว้เป็นดาวออดเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยปรากฏที่ไหนเลยเดี๋ยวหลวงปู่ รับเจอเสืออวนาจิดรวมเลยเนี่ยนะมีภรรยาของผู้พิทักษ์ท่านนึงแน่ดิ่งเวลาเปมะเล็งกดลูกคือเค้า แล้วสามีเนี่ยก็ไปหาศาลาและไปหาศาลาวัดเรียบร้อยแล้วไปจองศาลาให้ภรรยาเรียบร้อย เขาก็บอกว่าเค้าเนี่ยเสียใจอยู่อย่างนึงถึงเขาไม่ควรจะทําเลยเข อรโกมารับเราลิสยังด่วนเลยรับรอเราไปเราไปถึงอุ้ยมาก่อนเลย บวมถูกหมดเลยน้ำเหลืองอะไรมันคงเจ้าอัดแน่นน้ําบวมบวมหมดแล้วแล้วก็เนี่ยเราอ่ะโอ้โหเราทําไมเป็นอย่างนี้มาเอ๊ะสายอย่างนั้นเนี่ยสงสัยในใจ นี่อาจารย์จะลงสั่งมาแค่นั้นแหละไอ้ตาเค้าที่มันหลับนิ่งเลยไอ้พุทโธครับพุทโธครับพุทโธเลยหมดแล้วมันมัน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 แล้วก็แก่ไปสวรรค์ก็บุญแล้วที่ให้ให้พุทโธได้คือให้ประกาศไปสวรรค์ให้เขาไปสวรรค์เพราะว่ายังจะเหลือหรือรออยู่ดูสิจะเหลือหรือแบบเนี้ยไปสวรรค์แหละอยากให้ก็ไปครับพุทโธได้ครับแล้วเราก็กลับมาแล้ว พอคนไข้ยังอยู่ในห้องเราก็เลยไปเยี่ยมที่ ก็ภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปภาวนาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมน้องไป แล้วก็วางช้อนเลยไปกินก่อนหรือวางช้อนแล้วก็เอามือผนอมแล้วก็พุโตพุโต มันเหมือนกับเป็นแสงที่ปลายอุโมงค์ที่มันไกลแสนไกลมากเลยมันจะดับแล้วตอนนั้นน่ะพอเอ๋อได้ยินเสียงอาจารย์ดีใจมากเลยพออาจารย์บอกให้พุทโธทําตามเลยไม่ไม่มีเงื่อนไขเลยพุทโธพุทโธพุทโธทําตามเลยแล้วก็จิตมันก็สว่างกะไหวมากหึบจิตไปรวมเป็นหนึ่งอย่างพุทโธสว่างกะไหวมากแล้วก็เห็นพุทธเจ้านิมิตเห็นพุทธเจ้านะคือความ เป็นพระพุทธเจ้าอุ้มบาตรพลุฟ้าลงมาพลุฟ้าลงมาแล้วก็ระขอบิณฑบาตเค้ามีความรู้สึกว่า ก็แต่เค้าคงจะถึงคราวที่ 2 ปีก็ตายแต่ 2 ปีไม่มาหาเราเลยเราไปเห็นไอ้ครับอาจารย์อ้าวแล้วทําไม 2 ปีไม่ ระยะก็ทําได้อย่างใจนึกสุดที่สุดนะเนี่ยอีกก็เป็นอุตสาหะอย่างที่ <c oughs> อ๋อในศาลในวงการศาลที่ที่ใกล้ที่ที่อยู่เดแคเป็นคนติดบุหรี่แม่ <How> เป็นบเหลี่ยมที่กามแล้วมันเน่ามันกินขึ้นไปข้างบนจนเห็นฟันมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะคนคิดดูแต่คนที่ไม่มีแก้มนะโอ้โหมันเหมือนคนเดินไปไหนมองเห็นหัวกะโหลกคน แต่ปรากฏว่า AI เนี่ยมันลามไปเรื่อยไอ้ท่อใต้เรานมที่ประปามันแล้วปรากฏฟับร้ายไปไอ้เนื้อที่กวานมา หมอหมอใหญ่ก็ประชุมกันหวังว่าเขากลับไปตายบ้านเถอะบอก เราก็ดีอย่างใส่ข้างขวาไข่เอาไอ้ไข่ดินด้วยโลดที่เป็นดินนี่ๆเอาให้แกดูไว้และแกขอ มันลามมาจนติดจนหมดเลยแผลติดกระหมุดแกอยู่ 20 ปีนะแมวขนาดอย 86 อย่าง 87 ยังไม่ตายแกตาย แกโรคจรากระไปนอนนอนโรงพยาบาลตายก็เชื้อโรคครับพอเชื้อแกไม่เลิกไอ้เชื้อโรคก็หายไปพอเข้าอีกหมอก็เอาเลือกไปตรวจยังไม่รู้ พวกหมองงเป็นแถวเลยบอกว่ายายๆยายทําจิตยังไงของยายเนี่ยทําไมมันร่างกายเป็นซ่อมตัวมันเองอัตโนมัติเนี่ยบอกว่ายายช่วยสอนหมอตรงนี้เนี่ยบอกว่ายายช่วยสอนหมอๆนะอย่าประมาทกับพระพุทธ หาละปฏิบัติยังปล่อยวางไม่ได้หมดภาวนาพุทโธไว้ด้วยแล้วก็ปล่อยวางด้วย ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่เกาะเกี่ยวไว้พุทโธเราอย่ามีพุทโธไว้นั่นแหละนะนั่นแหละๆลูกหลานของตระกูลก็ยังมีชีวิตอยู่สามีก็ได้เรื่องเนี้ยเป็นจริงๆเออเป็นเป็น อย่าประมาทกับพุทโธนะให้พุทโธด้วยแล้วปล่อยวางด้วยปล่อยวางไปวางปล่อยวางพุทโธด้วยแล้วปล่อยวางความหลงนั่นหลงนี่ยึดนั่นยึดนี่ให้ปล่อยวางไปให้หมดแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไว้นะ <laughs> <spaghetti> Er. นี่ก็กลัวเวทก็ภาวนาที่รายอ่ะจิตมันสว่างว่าไปเข้าท้องหลานน่ะหลานท้องเลยแล้ววิญญาณที่จะ ไปเล่าไว้ระบบบ้านฝางระบบบ้านตะเลโตพระอาจารย์ใหญ่ไปเล่าท่านฟังก็เลยตัดให้ขาดนะเดี๋ยวฮะไปเกิดเป็นลูกของท่านท้ายแล้วทุกตายลําตีตายด้วยทุกด้วยอีกเหรอดูเอาก็ภาวนาเร่งภาวนาพุทโธ ลากเลยแทงเลยเพราะว่าที่ปิญาณของญาติแต่เลยแล้วมันยึดลําบากเนี่ยกรรมจริงๆเลยลูกหลานคนไหนอ่ะที่เค้าได้มีมีสุขเค้าเค้าพ้นจากความทุกข์ ก็ไปห่วงยายลูกหลานที่มันเอาตัวไม่เนี่ยถ้ามันจังวอนไว้ยึดมากระวังจะเกิด แล้วก็ไปด้วยกันโดยดวงที่สว่างนั่นแหละพุทโธพุทโธดวงที่สว่างนั่นแหละถ้ามันสว่างวับเลยไปด้วยกันเลยนะอันนั้นแหละมีอานิสงส์มากมีบารมี ครับว่าเรื่องเนี้ยเป็นเหตุๆคนที่ตายแล้วที่เราเคยเคยชื่อถึงก็อยู่สวรรค์ชั้นมันได้อย่างเค้าน่ะแหละทําให้มันได้อย่างเค้านะอ่ะ นะแต่พูดโทไว้อย่าประมาทพูดโทนะเดี๋ยวไปลบหลบกฎหมายไปไป เอ่อสาหัสคุ้มครองได้หลวงปู่ฟั้นหลวงปู่สมัยฎีกายุโกเราเคยถามท่านก็มีก่อนที่เราอยู่ มันวิ่งผ่านตำรวจมาแล้วตำรวจก็ไม่กันเรื่องอะไรก็ เด็กก็ปะตายอุทโธรมากแข็งแรงมากเจ็บกว่าขนาดนั้นน่ะท่านยังพอขอขมาถึงก็ตาม<ใช> เรียนรุ่นหนึ่งก็เลยดังมากเลยนะเราก็เลยไปขอไปขอคาถาท่านขอหลวงปู่ มีไล่บิผู้โทนี่แหละเออผู้โทเสือมาก็ไม่กลัวผู้โทผู้โทเนี่ยคุ้มครองแน่หมดเออถ้ามีผู้โทอย่างเดียวไปได้ทั่วติดรถชนก็ไม่ๆด้วยใจเออผู้โทผู้โทผู้ ก็รู้สบายดีกับพุทโธที่จะจะถามท่านเองเนี่ยมันบอกว่าเออคุมครองได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละถ้าเราไม่ได้ใจของเราก็พุทโธโตเลยมันก็ติดแล้วโตใช้ได้แล้วแต่ พอดีอาบ่อยพอมาเขียนเหลวไม่ได้คิดถึงพระแล้วแต่ได้คิดถึงพระเราใจมีแต่กิเลสมีแต่มีแต่ความโลภโกรธหลง จึงดําเนินดําให้ทุกท่านเออจะเป็นมนุษย์เทวดาคน ขอกระผมก้นตริกราบอัพเดตทุกท่านและที่กระผมจะมาเปรียบเทียบเวลาทั้งหมดขอให้ได้มีความสุขความเจริญขอด้วยเออ